จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช5 5 3เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมากระทำความดีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่ของชีวิตใหม่ของเราเพราะชีวิตเราจะเจริญก้าวหน้ามีความสุขมีความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆนั้น ก็เกิดจากการกระทำความดีของเราเกิดจากการไม่ทำบาปเกิดจากการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราปรารถนาในปีใหม่นี้ให้ชีวิตของเราดีกว่าปีเก่าเราก็ต้องทำความดีสิ่งที่ไม่ดีที่เราทำในปีเก่าเราก็ต้องเลิกทำเพราะ การกระทำของเราเป็นเหตุให้เราเจริญให้เราสุขหรือให้เราทุกข์ให้เราเสือ่อมไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงสาว์แต่อยู่ที่การกระทำของเราดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราในปีใหม่นี้ดีกว่าเก่า เราก็ต้องตั้งใจทำความดีตั้งใจละการกระทาบาป ก, การกระทาไม่ดีตั้งใจที่จะเอาชนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจของเราถ้าเราสามารถทำได้เราก็จะได้ความสุขและความเจริญดังที่พระพุทธเจ้า และพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับ ก, กันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทาําทางกายวาจาใจของเราดังนั้นเราจึงต้องมีความตั้งใจเพราะความตั้งใจนี้เป็นเหมือนกับพวงมาลัยของรถยนต์ถ้ารถยนต์ไม่มีพวงมาลัยปล่อยให้รถวิ่งไปรถก็จะวิ่งสเปะสะปะไป ไม่สามารถวิ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางได้ฉันใดชีวิตของพวกเราที่ต้องการความสุขความเจริญต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายก็ต้องมีพวงมาลัยชีวิตพวงมาลัยชีวิตนี้ก็คือความตั้งใจภาษาบาลีภาษาพาะ ท่านเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานนี้มีความหมายสองลักษณะทางธรรมกับทางโลกไม่เหมือนกันทางลบทางทา ง, ทางโลกนี้เราจะเข้าใจคําว่าอธิษฐานว่าเป็นการวีวนขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นเราอยากได้อะไรเราก็กราบพระแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้ดังความปรารถนาะ แต่นี่ไม่ใช่เป็นคำาหมายมทางธรรมะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าการตั้งใจการตั้งเป้าเราอยากจะได้อะไรเราก็ตั้งเป้าหมายไว้เช่นวันนี้เราอยากจะมาวัดในวันปีใหม่เราก็ตั้งตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานหรือหลายวันมาแล้วว่า วันปีใหม่จะมาวัดถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเราอาจจะไม่ได้มาวัดก็ได้เพราะสมมติว่าถ้าเราเตื่นขึ้นมาในวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปไหนเราก็คงจะอยู่ที่บ้านหรือไม่เชนนั้นถ้ามีใครมาชวนให้ไปที่นั่นที่นี่ก็อาจจะไปกับเขา นี่เป็นเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนแต่ถ้าได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาก็รู้แล้วว่าต้องทำอะไรต้องไปไหนในวันนี้ทีนี้เราจะทำตามความตั้งใจของเราได้หรือไม่ก็ต้องมีบารมีอีกอย่างหนึ่งหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งมาสนับสนุน บารมีหรือธรรมะอันนี้เรียกว่าสัจจะความจริงใจหมายความว่าเมื่อเราได้ตั้งใจแล้วเราต้องมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราไม่ใช่ตั้งไปอย่างนั้นแต่ไม่มีความจริงใจไม่รักษาคามั่นสัญญาที่เราได้ตั้งไว้กับตัวเราเองเช่นเราตั้งใจว่าจะมาวัดในวันนี้ แต่พอเติมขึ้นมามีอาการรู้สึกปวดศรีรษะเล็กน้อยหรือมีความขี้เกียจอยากจะนอนให้มากกว่านี้เพราะเมื่อคืนนี้ออกไปเที่ยวถึงดึกมากถ้าไม่มีสัจจะความจริงใจต่อความตั้งใจว่าจะมาวัดก็จะเปลี่ยนใจได้ก็จะนอนต่ออย่างนี้ก็จะไม่สามารถ ทำตามความตั้งใจได้เมื่อไม่ได้ทำตามความตั้งใจผลที่ดีที่จะเกิดจากการตั้งใจก็จะไม่เกิดพระพุทธเจ้าของเราปรารถนาการตัดสั้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวันในคืนวันเพ็ญเดือนหก ทรงนั่งประทับอยู่ที่ใต้ต้นโพและทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งบำเพ็ญภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรูถ้ายังไม่ตัดสรูจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่นั่ง น, นี้เป็นอันขาดถ้าจะตายไปก็ขอยอมตาย แต่จะไม่ลุกเป็นอันขาดถ้ายังไม่ได้ตัดสรูนี่คือเดิมพันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งไว้ทรงตั้งพระไถไว้ว่าถ้าไม่ตัดสรูก็ตายเท่านั้นไม่มีทางอื่นด้วยความเด็ดขาดของจิตใจที่มุ่งมั่นต่อสิ่งที่ตนปรารถนา จึงทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานไม่มีทางที่จะบรรลุได้เพราะเวลานั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมามากๆก็จะไม่สามารถนั่งทนต่อไปได้เมื่อไม่สามารถผ่านความเจ็บปวดไปได้ก็จะไม่สามารถเห็นธรรมได้ เข็มทำที่ว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาความเจ็บปวดของร่างกายของเรานี้มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ดับของมันได้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ไม่ต้องไปหายาแก้ปวดมารับประทานก็ได้ถ้าตราบใดใจของเรามีความสงบมีความแน่วแน่ไม่หวาดกลัว ต่อความเจ็บปวดไม่อยากให้มีให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปใจของเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจจะสามารถนั่งรับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบายนี่คือเรื่องของการตั้งสัจจะอธิษฐานเพราะพวกเราจะถือวันปีใหม่นี้เป็นวันเริ่มต้นที่เราจะมาทำอะไรที่ใหม่ ที่ดีๆสําหรับตัวเราถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานเราอาจจะทําได้เพียงวันสองวันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราก็จะล้มเลิกไปแต่ถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานแน่วแ น, ว, แน ว, ว่าเราจะทําอย่างนี้ไปตลอดหรื อ, อย่างน้อยก็ตลอดทั้งปีเช่นเราเห็นว่าเรา สูบุรีหรือเสพสุรายาเรามันไม่ดีสําหรับชีวิตจิตใจของเราไม่ดีทั้งร่างกายไม่ดีทั้งจิตใจทําให้เวลาดื่มสุราเข้าไปก็ทําให้ร่างกายเรารับยาพิษเข้าไปทําให้ชีวิตสั้นทําให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเช่นเดียวกับการเสพบุหรี่สูบบุหรี่สูบสควันพิษเข้าไป ทำให้ปอดนี้ต้องมีอายุสั้นลงมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วยังต้องเสียเงินเสียทองส่วนจิตใจก็เป็นจิตใจที่อ่อนแอเพราะติดบุหรี่หรือติดสุราเวลาที่ไม่ได้สูบบุหรี่หรือไม่ได้ดื่มสุราก็จะมีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายมีความทุกข์ นี่คือโทษของการสูบบุหรี่หรือการเสพสุรายาเมาถ้าเราอยากที่จะเลิกไม่อยากที่จะสูบบุหรี่หรือดื่มสุราอีกต่อไปเราก็มาตั้งสัจจะอธิษฐานจะตั้งต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปก็ได้เพื่อจะได้มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น ว่าเหมือนกับเราทำสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำสัญญาแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจที่จะรับคามัน่นรักษาคามั่นสัญญาที่เราตั้งไว้ถ้าเราเป็นคนที่มีสัจจะมีความจริงใจเรารับปากอะไรกับใครก็ดีหรือตั้งใจจะทำอะไรก็ดีเราก็จะทำสิ่งนั้นอย่างแน่นอน เป็นอื่นไปไม่ได้ยกเว้นจากเหตุสุดวิสัยเช่นเกิดมีภัยพิบัติน้ำท่วมหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถออกจากบ้านไปทำในสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้ไดนะ้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเลิกสิ่งที่ไม่ดีเช่นสุรายามเมาการเล่นการพนันความเกลียดคร้าน ความมีความโลภโมโทสันความจูจ้จี้จุกจิกขี้บ่นเหล่านี้เราก็ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ว่าต่อไปนี้จะไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานก็เท่ากับเรามีคํามั่นสัญญากับตัวเราเองแล้วถ้าเรามีสัจจะ เราก็จะรักษาคำมั่นสัญญาหรือความตั้งใจของเรานี้ได้เมื่อเรารักษาได้แล้วเราก็จะเลิกสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็จะเลิกสุรายาเมาได้เลิกเล่นการพนันได้เลิกความเกลียดคร่งได้เมื่อเราเลิกแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับคืนมาหนึ่งเราจะได้เงินทองที่เราสูญเสียไปจากการซื้อสุรายาเมา จากการเล่นการพนันกลับคืนมาชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะเรามีเงินทองมากขึ้นเรามีความมั่นคงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันไม่มีใครทำแทนเราได้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้คนอื่นเลิกสุราแทนเราไม่ได้คนอื่นเลิกความเกลียดคร้านแทนเราไม่ได้ เราต้องเป็นคนเลิกเองพระพุทธเจ้ามีหน้าที่สั่งสอนให้พวกเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอน เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้พบกับพระนิพพานที่เป็นความสงบที่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เหนือความสุขทั้งหลายในโลกอยู่ที่ตัวเราเพราะเป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครทำแทนเราได้เหมือนกับการรับประทานอาหาร ไม่มีใครรับประทานอาหารแทนเราได้เราต้องรับประทานอาหารเองเช่นเดียวกับการทำบุญการทำบุญนี้เราทำให้คนอื่นไม่ได้เช่นเราอยากจะทำให้ลูกทำให้สามีทำให้ภรรยาเราทำไม่ได้เพราะเขาต้องทำเองต้องออกมาจากใจของเขาเองออกมาจากความปรารถนาความตั้งใจเช่นเขาอยากจะทำ แล้วเขาทำอย่างนี้เขาก็ได้บุญแต่ถ้าเราทำเราไปบอกเขาว่าเราทำให้เขาแล้วเขาไม่ได้บุญอย่างไรเพราะบุญนี้เกิดจากการชนะดิเลชชนะความตเนชชนะความหวงแหนเช่นเขามีความหวงแหนในเงินก้อนหนึ่งถ้าเขาอยากจะเอาชนะความหวงแหนในเงินก้อนนั้น เขาก็ต้องเอาเงินก้อนนั้นไปทำบุญเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นพอเขาทำแล้วใจของเราก็จะหายจากความหวงแหนใจของเขาก็จะมีความสุขขึ้นมาความหวงแหนนี้ทำให้ใจไม่มีความสุขพอตัดความหวงแหนไปได้แล้วใจก็จะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีความสุขนี่แหละเรียกว่าบุญความสุขใจนี้ แปลว่าบุญบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราและใจเป็นผู้กระทำบุญไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ที่สวรรค์อยู่ที่นรกบุญนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์บาปเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราเป็นนรกเนี่ยสวรรค์และนรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับวัดยานสังวราราม หรือเมืองพัทยาเขาเป็นสถานที่ที่เราต้องเดินทางไปกันแต่นรกและสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของใจของเราเวลาที่ใจของเรามีความทุกข์มีความรุ่มร้อนที่เกิดจากการทําบาปทํากรรมิดจากความโลภความโกรธความหลงใจของเราก็เป็นนรก ถ้าใจของเรามีความสงบมีความเย็นที่เกิดจากการทำบุญให้ทานเกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบหรือเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาเมื่อร่างกายของเรานี่ตายไปใจที่เป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นใจที่เป็นสวรรค์ก็จะเป็นเทพไปใจที่เป็น นรกก็จะกลายเป็นนรกไปใจที่เป็นเดรัจฉานก็จะเป็นเดรัจฉานไปทั้งหมดนี้อยู่ที่ใจใจเป็นผู้สร้างนารกเป็นผู้สร้างสวรรค์ใจเป็นผู้สร้างเดรัจฉานเป็นผู้สร้างเทพเป็นผู้สร้างมนุษย์ด้วยการกระทําของตนถ้ารักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ได้แล้วถ้าทําบุญให้ทาน ด้วยรักษาศีลด้วยใจก็จะเป็นเทพและถ้านั่งสมาธิได้ด้วยใจก็จะเป็นผมและถ้าเจริญวิปัสสนาปัญญาได้คือปรงอานิจังทุกขังอนัตตาได้ก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, ต, ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจา้า เกิดจากการให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิและเกิดจากการเจริญวิปัสสนานี่คือเหตุที่จะทำให้ใจนี้เป็นใจที่ดีเป็นใจที่เจริญเป็นใจที่มีความสุขในทางตรงกันข้ามถ้ามีแต่ความโลภความโกรธความหลงและทำบาป ท, ทำกรรม ตามอำนาจของความโลภความโกรธเช่นเวลาโกรธก็ใช้วาจาที่ไม่ไม่ไม่สุภาพใช้คำหยาบหรือใช้การกระทำที่รุนแรงทำร้ายร่างกายของผู้อื่นหรือข่าผู้อื่นพอทำไปแล้วใจก็จะร้อนขึ้นมาเป็นไฟในขณะที่ไม่ทำก็ร้อนอยู่แล้วร้อนด้วยความโกรธ ด้วยความคาดอาคาดพยาบาทด้วยความเครียดแค้นพอทําไปแล้วยิ่งจะทําให้เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันความรุ่มร้อนของใจในนั่นแลเรียกว่านารกแต่ถ้าเวลาที่ร่างกายตายไปถ้าความรุ่มร้อนนี้ยังมีอยู่ภายในใจใจก็จะเป็นนรกเลย หรือจะเรียกว่าตกนรกก็ได้แต่ไม่ได้ไปนรกที่ไหนนรกนั้นอยู่ในใจนรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจเกิดทั้งกาทั้งเหตุและเกิดทั้งผลเหตุคือผู้กระทาก็คือใจผลที่ผู้ใจจะต้องรับก็คือใจ อยู่ตรงนี้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่ดีที่งามก็ขอให้เราทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สามประการด้วยกันคือให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ละบาปทั้งปวงเสียและให้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจของเรา ถ้าเราทำท่ามสามส่วนนี้ได้แล้วใจของเราก็จะกลายเป็นสวรรค์กลายเป็นพระนิพพานไปถ้าเรายังทำไม่ได้และเรายังกลับไปทำบาปอยู่ใจของเราก็จะเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างอยู่ที่การกระทำของเราเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งสิ้นดังนั้นขอให้เรา จงมาดูการกระทำของเราอยู่เสมอให้มีสติคอยดูใจของเราว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังคิดดีหรือกำลังคิดร้ายเช่นเวลาเรามีอารมณ์ไม่ดีเรามักจะคิดร้ายเรามักจะบ่นว่าคนนั้นว่าคนนี้มักอยากจะทุบตีคนนั้นทุบตีคนนี้เราก็ต้องรีบดับอารมณ์นั้นให้ได้ พอมันเป็นเหมือนไฟที่เริ่มขึ้นมาแล้วเวลาไฟลุกขึ้นมาใหม่ๆนี้ถ้าเรามีน้ำรีบดับเสียมันก็จะดับง่ายใช้น้ำเพียงขันสองขันหรือกระแผงสองกระแผงก็ดับได้แล้วแต่ถ้าปล่อยให้ไฟมันลุกลามจนไหม้ท่วมบ้านแล้วตอนนั้นก็จะดับไฟได้ยาก ถ้าเราเฝ้าดูใจของเราเรื่อยๆเราจะเห็นไฟนะลุกขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีความโลภไฟของเราก็จะลุกขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีความโกรธไฟในใจก็จะลุกขึ้นมาถ้าเรามีสติคอยดูใจอยู่เราก็จะรู้ทันทีพอรู้แล้วเราก็จะได้ดับได้ทันทีวิธีดับก็มีหลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน เช่นเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะดับความโกรธได้อย่างไรวิธีหนึ่งก็คืออย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธเช่นคนนั้นเขาด่าเราหรือเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปคิดถึงเขาเราสวดมนต์เป็นหรือเปล่าถ้าเราสวดมนต์เป็นเราสวดไปภายในใจก็ได้สวดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธ พอเราสวดไปได้สักรยาะหนึ่งแล้วเราก็จะลืมเรื่องที่เรื่องที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่ทำให้เราโกรธพอลืมแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นสบายนี่ก็เป็นวิธีดับไฟดับนรกที่เกิดขึ้นในใจและดับการกระทําที่จะเสื่อมเสียตามมาต่อไปถ้าเราไม่ดับ มันยิ่งร้อนเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยากจะระบายออกไปทท้งนั้นแล้วในที่สุดเราก็จะอดไม่ได้ที่จะต้องไปพูดไม่ดีไปทุบไปตีไปทำร้ายผู้คนที่เขาทำให้เราเกรีนี่คือวิธีดับสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ภายในใจของเราอีกวิธีหนึ่งก็คือให้ใช้ปัญญาให้เรามองว่า คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราไปบังคับปากเขาไม่ได้เราไปห้ามปากเขาไม่ได้เราไปห้ามการกระทาของเขาไม่ได้เขาเขาอยากจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทุบตีเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราต้องทำใจถ้าเกิดเขาโกรธเราเกลียดเราและอยากจะทำร้ายเรา เราก็ต้องทำใจนิ่งเฉยอย่าไปตอบโต้อย่าไปชองเวงนจองกรรมกันถ้าเขาทำเราแล้วเรากลับไปทาเขาเขาก็จะกลับมาทำเราอีกแล้วจะทำแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงกับฆ่ากันตายไปได้แต่ถ้าเราเฉยเราปล่อยให้เขาพูดให้เขาดา่าหรือเขาอยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำไป พอเขาได้ทำแล้วเขาก็จะหยุดทำเราให้คิดว่าเป็นการใช้กรรมแล้วกันใช้หนี้กันแล้วกันเราคงไปพูดหรือไปทำอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจทำให้เขาโกรธให้เราให้เขาเกลียดเราเขาโกรธเขาเกลียดเขาอยากจะระบายก็ปล่อยให้เขาระบายไปพอเขาได้ระบายตามที่เขาต้องการแล้ว เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกนี่คือวิธีที่เราจะดับความโกรธดับการกระทําที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นจากการมีความโกรธได้ส่วนเรื่องของความโลภ ก, ก็เช่นเดียวกันเวลาเกิดความโลภแล้วใจของเราก็จะกะวนกวานกระสับกระส่ายคอยจ้องดูว่าจะได้สิ่งที่เราอยากได้หรือไม่เราก็เลยไม่มีความสุข แล้วถ้าเราไม่ระวังถ้าเราอยากได้มากๆเราก็อาจจะไปทำการกระทำที่ไม่ดีไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นเราอยากได้ข้าวของของคนอื่นเราขอเขาเขาก็ไม่ให้แต่เรายังอยากไดก้เราก็อาจจะไปขโมยได้ต่อไป เมื่อเราไปขโมยแล้วก็ยิ่งทำให้ใจเรารุ่มร้อนขึ้นมาใหญ่มีความทุกข์มากขึ้นมาใหญ่วิธีที่เราจะตัดความโลภได้นี้ก็ต้องให้เราคิดว่าถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มีความจำเป็นหรือไม่ถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้ามันไม่ตายอยู่ได้โดยไม่ต้องมีสิ่ง ที่เราอยากได้ก็เราก็ตัดใจเสียดีกว่าเปลี่ยนใจว่าไม่เอาก็ได้ไม่มีเราก็อยู่ได้ถ้าเราทำใจได้อย่างนี้เราใจของเราก็จะสงบและเราก็ไม่ต้องไปทาบาปทากรรมแต่ถ้าเราหักห้ามจิตใจไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลพอเราไปทำแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาพอได้อะไรแล้ว ไม่นานเราก็อยากจะได้สิ่งอื่นขึ้นมาอีกเห็นอะไรสวยเห็นอะไรชอบอกชอบใจก็จะอยากได้ขึ้นมาทาั้งๆที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีเลยเช่นเสื้อผ้าที่เราไปเดินตามร้านต่างๆพอเห็นเสื้อผ้าสวยๆเราก็อยากได้ขึ้นมาทาั้งๆที่เสื้อผ้าของเราก็มีอยู่เต็มตู้ใส่ไม่หมดแต่ก็ยังอยากได้อีก นี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีเหตุไม่มีผลเราไม่ถามตัวเราเองว่าจำเป็นหรือไม่ไม่ได้มาแล้วจะตายหรือไม่นี่แหละเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเราต้องเสียเงินเสียทองซื้อข้าวซื้อของมาไม่รู้จักจบจากสิน้นแล้วเราก็ต้องไปดินน้นรนำมาหากินหาเงินหาทองมาซื้อของเหล่านี้ แล้วบางครั้งก็เลยทําให้เราต้องไปทําบาปทํากรรมต้องไปโกหกบ้างต้องไปช่อโกงบ้างเพื่อให้ได้เงินได้ทองที่เราต้องการาแต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเราก็จะสามารถยับยั้งความโลภต่างๆได้แล้วเราก็จะมีเงินทองเหลือใช้แล้วเราก็จะรักษาศีลได้รักษาความดีได้เพราะเราไม่มี ความอยากที่อยากจะได้อะไรมากจนเกินไปนั่นเองเราสามารถที่จะอยู่แบบมากน้อยสันโดษได้อยู่ตามมีตามเกิดได้นี่คือการกระทำความดีที่พวกเราควรคิดจะกระทากันในวันขึ้นปีใหม่นี้เช่นให้เราคิดถึงการละ ก, การกระทาส่วนที่ไม่ดี เช่นเสพชวรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนหรือความเกลียดคา้านแล้วก็หันมาทำความดีตั้งใจทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆบริจากเงินทองที่เรามีเหลือจากการประหยัดหลือจากการไม่ใช่แบบฟุน่นเฟยแล้วเราก็พยายามละความโลภตัดความโลภ ถ้าอะไรไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อมาอย่าไปหามาแล้วก็ตัดความโกรธให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมขอใช้เวรใช้กรรมแทนใครอยากจะดา่าก็ให้เขาด่าไปใครอยากจะทุบตีก็ให้เขาทุบตีไปวิธีที่จะทำให้เราทำใจได้ก็ให้คิดอย่างนี้เวลาเขาดา่าเราก็ให้คิดว่าเขาเพียมด่าเราเขายังไม่ได้ตีเรา ก็ยังถือว่าเป็นบุญอยู่ถ้าเขาตีเราก็คิดว่าเขายังไม่ได้ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องตายด้วยกันถ้าเราตายแบบยอมตายแล้วเราจะตายดีเพราะเราจะตายแบบพระพุทธเจ้าตายแบบพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี่ท่านยอมตายฉันไม่กลัวความตาย ท่านเห็นว่าอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์โลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ตายเสียมันก็หมดปัญหาไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ต้องหวั่นไหวใจไม่ต้องหวาดกลัวถ้าใจไม่หวั่นไหวใจไม่หวาดกลัวใจก็จะไปสวรรค์ไปพระนิพพานนี่คือการเริ่มต้นชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ที่พวกท่านทั้งหลาย ได้มาตั้งใจตั้งตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติขอให้ท่านเลือกเอาทําในสิ่งที่ท่านคิดว่าพอจะทําได้แล้วพยายามทาให้ได้อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเพราะมันไม่เกิดขึ้นเองเหมือนกับรถถ้าเราไม่มีพวงมาลัยเราจะให้มันวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการนั้นย่อมเปนไปไม่ได้เราต้องมีพวงมาลัยเราถึงสามารถบังคับรถยน ให้พาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการไปได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีความตั้งใจมีสัจจะคือมีสัจจะอธิษฐานที่จะทําความดีที่จะละการกระทำความไม่ดีและละความโลภความโกรธให้ได้ถ้าเราทําได้แล้วความสุขสวัสดีมงคลทั้งหลายก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาตั้งสัจจะอธิษฐานในวันขึ้นปีใหม่นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความร่มเงย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ